อบรมในคืนวันที่หธันวาคมพศ2องพัาเกณวัดาบ้านตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบุวญาณสัมปนโหน่ตามปฏิบัติอาจะปฏิบัติขั้นไหนแบบใดก็ตามแา่เป็นความเคยชินของนิใยแล้วก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายสำหรับ ปฏิปทาคันนั้นเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติตนด้วยความสะดวกสบายถือว่าเป็นความพอดีขอตัวเองแต่พอก้าวไปสู่คำนักของครูบาอาจารย์ที่มีความเคร่งขรึก็เป็นการทําให้อึดอัดให้ใจิตใจนึเกิดความรําคาญท้อใจอะไร่างนั้นก็มีผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งดุ ก, กว่านั้น ท่านก็ถือเป็นความสะดวกสบายเพราะเป็นความคินต่อ น, นิสัยมาแล้วไม่ทราบว่าแข่งหรือไม่แค็งอาจเป็นความสะดวกสบายเนื่องจากความเคยคินเป็นความสบายในขันนั้นผู้ที่เคยปฏิบัติเคลื่อนคราดมาเป็นลําดับลำตาไม่ลดละท่านก็มีความสะดวกสบายไม่ทราบาเคลื่อนหรือไม่แข็น เพราะเพราะความเคยชินากาสบายทั้งสามขั้นเมื่อเขามาค้าเข้ากันแล้วมันจะต้องมีอะไรอันหนึ่งขึ้นภายในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายนั้นฝ่าย ผู้ที่เคยปฏิบัติมาด้วยความสะโยกสบายแม่จะถือว่าเป็นเคร่งคัดเป็นการเคร่งครัดสำหรับผู้อื่นก็ตามแต่ท่านของไม่มีความรู้สึกผู้อื่นจะมีความรู้สึกเมื่อมี ผ, มผู้มีผู้ย่อนยิ่งกว่านั้นเข้ามาแฝงเข้าในสำนักนั้น ก็จะกลายเป็นละเกตละกะไปไม่น่าดูมีการเป็นความอ่อนแอไปก็จะมีความรู้สึกขึ้นในฝ่ายที่ท่านเคยชินมาต่อทางปฏิบัติที่คนอื่นเข้าใจว่าเคร่งครับยิ่งเป็นความลำบาก นี่ก็เคยอารมณ์มาเป็นลําดับลําดาบหมู่เพื่อนที่มาอยู่ที่ไม่เคยก็พยายามอารมณ์ลงไปหมู่เพื่อนก็ต้องอารมณ์ลงด้วยมันใช่เพียงว่าจะอารมณ์โดยลําทพาะหัวหน้าแล้วหมู่เพื่อนที่ต้องมีอารมณ์ลงไปมีความรู้สึกที่เป็นปกติก็จะเคลื่อนข้าดหีืมีความรู้สึกอะไรนขึ้นมาไม่สบายเหมือนกัน ผูป้ปฏิบัติต่างฝ่ายตามมีความเคยชินต่อปฏิปทาของตนแล้วที่จะมาฆ่าเข้ากันให้เป็นความสนิทกลมกลืน ก, กันนี้ลูกจิตมันก็ลำบากมั่งกันนี่เป็นเหตุหนึ่งที่จะให้มีความคิดต่างๆเกีเ่ยวกับการนับไม่ว่าชาติชั้นมันน้าใดถ้าผู้ที่เคยสมบุกสมบันมาแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่าง ผู้ไม่เกิดเลยนรู้สึกจะลำบากลำบากทั้งผู้ผู้ที่กล้าเข้ามาดิ่มลาบากตั้งผู้ทีจะให้การรวมสั่งสอนต้องอบรมปฏิรมกันไปทั้งๆ ท, ที่ไม่สบายวั้งๆท่าม่ะดวกก็ได้ทำคิดดูผลประโยชน์ที่จะเกิดขา้ามาเห็นเท่าไรราหร่นี่อันกนะ็พอให้ลำคานอันหนึ่งยิ่งเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยแล้ว ไม่เป็นท่าเลยเราที่ดิดปฏิบัติมาตามกําลังของเจ้าของก่อ น, นความรู้สึกมันจะเป็นยังไงไม่ทราบไปสํำนักสานักไหนก่อมันจะอดดูมไม่ได้แม้เราจะเจ้ยอย่างที่สุดก็ตามแต่นเราก็ชอบของดีไปสํานักใดก็ต้องคอยสอดส่องดูปฏิปทาของท่านตีนเลย คำพูดคำจาของท่านข้อปฏิบัติกลมกลืนกันไหมต้องมันอดไม่ได้ต้องดูหาว่าวข้อปฏิบัติเป็นอย่างคำพูดเป็นอย่างไม่กลมกลืนกันเลาวมันก็ไม่ได้ให้ขายศรัทธาที่จะมีความมุ่งมัน่นเหมือนกัน ได้ยินสำนักไหนว่าเคร่งครับปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญใจมันกระชอบเช่นได้ทราบวิธีจับวิธีคุณของท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินมาเป็นลำดับลำดาไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันในเรื่องปฏิปาทาจิดมันชอบเฉพาะอย่างนี้เวลาประทับอยู่ที่จังหวัดหนองคายได้ทราบจากพระองค์ มาจากสำนักบ้านนามน์ซึ่งเป็นสำนักของท่านอาจารย์มั่นเราเราก็พอดีกับเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปหาท่านแต่ยังไม่ถึงวันที่จะไปเท่านั้นมาสอบถามดูว่าเวลานี้มีพระอยู่กับท่านจำนวนมากน้อยเท่าไร่แล้วปฏิปทาของท่านเป็นอย่างไรบ้างพระนั้นเราก็รอฟังเราพาะอยู่กับท่านในเราเก้าองค์สิบง์เท่านั้นท่านไมละรักพระมาก แล้วท่านเด็กเดี่วอาถรรมากใครไม่เอาจีโนจังยอยู่กับท่านไม่ได้แล้วท่านดุเก่งหวาง่าเพียงเท่านั้นมันถึงใจเลยรู้สึกถึงใจทันทีไม่หลีกทำว่าท่านรับทานน้อยนี่คงไม่เป็นเจตนาของท่านจะรับเพียงเท่านั้นก็คงจะเลือกเ้นใดขนาดนั้นพอที่จะรับได้คิไปอย่างนั้น แล้วการดูดูเฉยๆจะมาดุกันเนี่แล้วจิติศัตดิ์ปิติคุณของท่านก็ล่ํำลือมานานไม่ใช่ร่ำลือเพราะการดุคนแต่ล่ํำลือเพราะการประพฤติปฏิบัติดีของท่านต่างหาก<ม>เห็นได้<ม>ท่านจะมาเที่ยวดูด่าว่ากล่าวคนโดยไม่มีเห็นผลนั้นคงไม่ใช่แล้วคําว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวนี้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน นอกจากสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นนี่ท่นานถึงจบยังไงก็จะต้องขอไปดูให้ได้ไปจริงๆไปก็มีทุนพระก้าโอุอยู่กับท่านแล้วเสียงท่านจริงอย่างว่าเหมือนกับเสียงพาร้องแล้วเนื้อความหมายแห่งคำพูดที่แสดงออกมานั้น เป็นเนื้อธรรมะล้วนๆหาที่จะคัดค้านท่านไม่ได้เลยพูดอะไรออกมาเป็นที่จับอิตจับใจเหมือนกับว่าจะไม่มีวันหลงเพราะพูดถูกอัดถูกทำถูกเหตุผลทุกด้านไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนลเอียไม่ว่าท่านจะพูดธรรมดาหรือท่านจะดุด่า่ากาวหาคำที่ดุนั่นไม่มีเห็นแต่ความจริงล้วน อ๋อนี่เองที่คน ว, ว่าท่านดุยังไงก็คงเป็นเพราะเหตุนี้เองเป็นเพราะเสียงเท่านั้นแต่ผู้ฟังอาจจะลืมเนื้อของเสียงนั้นเป็นยังไงฟังแต่เสียงรสชาติของเสียงนั้นเป็นยังไงคงจะไม่พิจารณามีเป็นเห่งให้คิดไปอย่างนั้นทาในพิจนา ดูตามกำลังของตอนแล้วรสชาติที่ออกมาจากเสียงนั้นเป็นธรรมล้วนๆ้ะท่านเด็ดเดี่ยวจริงถ้าจะพูดตามเรื่องของคนที่อ่อนแอนะแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมนล้ไม่มีอะไรที่จะเด็ดเดี่ยวยิ่งนอกไปจากหลักธรรมนี้ในที่ท่านดำเนินก็เป็นปฏิปทาทเรียวกว่ามัชิมาอยู่ ด, ยดี แต่พราะเราไม่เคยดำเนินอย่างนั้นเราเห็นว่าท่านเคร่งครับในหลักที่ท่นภานปราปฏิบัติมาไม่มีทำอื่นแฝงมาเลยนอกจากเป็นปฏิปทาที่ชอบตามหลักพระธรรมวินัยซึ่งเราก็เห็นอยู่ด้วยกันแล้วบรรดานักเรียนที่ได้เรียนผ่านมาไม่ต้องมาหิห่ท่านดำเนินตามทางสายนั้นเทานั้นยิ่งหาที่เคร่งไม่ได้ อ๋อเป็นเหตุให้ได้กําลังจิตใจไปอยู่ที่นั่นรู้สึกมีความร่วมเย็นมองดูมูดูเพื่อนอ๋อเป็นอัดเป็นธรรมมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเป้นหนึ่งว่าอวัยวะอันเดียวกันมีอะไรได้อะไรมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนี่เป็นเหตุที่จับใจมากเออหนี่สมบูรณ์สถาพดึงดึง ไม่มีที่จะจับผิดจับถูกกันอะไรเลยนอกจากจะเตือนกันก็เตือนด้วยความเมตตาสงสารผู้ผิดก็ยอมรับด้วยความเห็นโทษและเห็นคุณของผู้สอนจริงๆนี่ก็เป็นที่จับใจเมื่อท่านสอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่รับท่าเหนียนมาอาจจะมีผู้ขัดแย้งอะไรให้เป็นความไม่สะดวกสำหรับท่านแล้วเป็นการกดถ่วงท่านให้ลําบาก ท, ท่านมีเลือกเพลนอย่างนี้เป็นเหุ่ให้คิดไปอีกเหมือนกันพูดไม่ได้พูดย่อหย่อนไม่พูดให้เสียกําลังของผู้ตั้งใจมาศึกษานอกจากจะเป็นพูดให้กําลังใจทางนั้นมีแต่พูดเด็ดเดี่ยวอาหารวิธีปฏิบัติปฏิบัติยังไงตลอดถึงความรู้ความเห็นปฏิบัติแบบไหนมีความรู้อย่างไงบ้างท่านอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจน และผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแบบท่านมันเป็นผลที่พึงพอใจสำหรับท่านและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ไปศึกษาที่ได้ยินจากท่านเพิ่มกำลังศรัทธาเพิ่มกำลังความมุสาพยายามเพิ่อีกมากมายลผลที่พูดออกมาตามหลักความจริงปฏิบัติจริงทำจริงเป็นผลให้เกิดประโยชน์ แต่ผู้ได้ยินได้ฟังและผู้ปฏิบัติตามไม่มีอะไรเสียหายแต่การเอารมนี้ยังไม่เคยเห็นผลอะไรบ้างหนุนสิตจึงเป็นเห็นได้คิดอยู่มากเหมือนกันผู้นี้มาก็เอารมคนนั้นมาก็เอารมลายไหนมาก็เอารมแล้วผลที่จะได้จากอารมมีอะไรม้างมันไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็ยังจะฝืนเอาลมนี้มันก็หนักนี่อันหนึ่งเรื่องที่ใหญ่ที่จะนาา่ามากๆ การปฏิบัติเรื่องความตั้งนาต่งตางๆสมกับเป็นนักทรสสมกับเป็นนักรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมะนี้กิเลสกับเราจริงๆนั่นมันตาพูดถึงหลงทึงปรารถนาก็ปรารถนาอย่างยิ่ง พูดถึงผลก็เป็นผลอย่างนี้ผู้ที่จะทำอย่างนั้นมันก็มีแต่างา น, นน้อยมันจังหาได้ยากการชาติชั่นวันนะั้นมันกยถือเป็นสำคัญถือสำคัญความประพฤติอัธยาใจอัยาสายใจคอที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติมีเอาจริงเอาจังไหม หรืจะพอเสียเวลาเวลาในการสั่งสอนหรือเป็นการกดผัวมู่เพื่อนลงให้ลำบากหนักใจเก่าๆ เ, เพราะว่าคนลราไม่เหมือนภูเขาภูเขาตั้งตั้งงานอยู่จอดฝ้าก็ตามไม่มาทับบนศีรษะคนแต่คนที่มีความย่อหย่อนหรือคนที่ขวางโลกนี้ไปอยู่ที่ไหนมันนั่งทับบนศีรษะ่สักเอาความสุขเฉพาะตัวแล้วเอาความทุกข์ให้คนอื่นโดยนั่งบนที่สะเขาไม่รู้จุดตัว งานนี้มันลำบากอี่ยมามองดูผลที่เกิดขึ้นจากการอารมณ์นี้ก็ไม่เห็นมีอะไรแตสมมุติว่าเราจะอารมณ์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาผู้มาศึกษาก็จะเป็นความสะดวกสบายเป็นความนอนใจไปแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปสอนคนนอกจากสอนตนไม่ได้ผลประโยชน์แล้วจะเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปสอนโลกนะครับไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนขึ้นมา ยังไม่เป็นผลประโยชน์ทั้งสองอย่างผูอนันล้มตัวเองนันก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะเอาเรื่องอนันลวมของตัวเองไปสอนคนให้ได้รับประโยชน์มันก็ไม่เป็นไปนมี่หมายถึงภูมิของพระนะภูมิของพระเราเป็นอย่างนั้นคนมีวิสัยใจพออัจาศั ย, ยหรือว่าอานาจวาสนาต่างกันนั่นยกให้ คนที่ไม่เคยรู้จักศาสนาเรากสอนเขาเพื่อให้รู้นั่นเป็นประเภทหนึ่งคนที่รู้แล้วพอจะปฏิบัติตนนั่นก็หยอะขึ้นไปแค่ไหนนั้นก็ค่อยเลื่อนธรรมะขึ้นเป็นลๆๆําดับๆนี่เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับธรรมของพระรอินัยของพระโดยตรงแต่พระทินมุ่งหน้าเข้ามาปฏิบัติแล้วนั่นจะเห็นว่านั่นยิ่งเกินไปเขร่งเกินไป โดยถือว่าเจ้าของเป็นความพอดีอยู่แล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาศึกษาจากครูจากอาจารย์เพราะความพอดีภายในตัวก็พออยู่แล้วาจำเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อการปฏิบัติเพื่อความดียิ่งขึ้นไปก็ควรจะเห็นความเด็ดเดี่ยวด้วยความเขร่งครัดที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติอย่างน้ำมัดระวังหรือความราบลึกลนั้นมาเป็นของดีและมีแต่จิตใจที่จะขยับตัวของเราให้ก้าวขึ้นเป็นลําดับหนึ่ ความเข้มแข็งขึ้นไปทุกวันตุวันนั่นจะเป็นที่นาณโมทนาและเป็นเหตุให้เปิดทางสำหรับมูเพื่อนที่จะมาตามภายหลังไม่ต้องลําบากเพราะเห็นผู้มาอยู่ก่อนแล้วเป็นที่ราบลื่นหรืเป็นที่สะดวกสบายเป็นที่ส่งเสริมมูเพื่อนและเจริญตูวสำหรับตัวเองตลอดถึงครูบาอาจารย์ก็รับความเยือกเย็นใจเป็นที่เบาอกเบาใจแต่ตรงข้างก็เป็นการตัดหําทึบทางคนอื่นมาไม่นานนี่มันเป็นอย่างนั้น การสั่งสอนคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสั่งสอนพระสั่งสอนเองหาก็คือเกิดความบกพร่องเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะตําหนิว่าท่านไม่ดีเช่นเดียวก็ไม่ถูกเราก็อาจจะมีส่วนบกพร่องไม่รอบคอบหรือให้ความร่วมเย็นแก่ท่านไม่เพียงพอแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้ที่มันจึงเป็นเรื่องลำบากการที่ไม่ขวรจะรับมากก็เนื่องจากไม่ไว้ใจตัวเองความรู้ความฉลาดทําไม่เพียงพอที่จะรับ ภาระให้มากหากว่าเกิดเรื่องรายได้เกิดลายได้ขึ้นมาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ทั่วกันไปหมดทั้งวัดทั่วไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอีกเหมือนกันมันเป็นเห็นให้คิดมากดูคนที่มาอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องสําคัญและพ่ออย่างยิ่งขึ้นคือ ด้วยกันมีระเบียบหลักธรรมในอันเดียวกันถ้ามีก้าวไก่แล้วจะต้องขัดแย้งกันมันทือเพราะไม่เหมือนโลกมีหลักธรรมในยอยู่เสมอกันแต่มากก้าวไ ก, ก่รั้งเสียนี้อันไปให้กัดข้องฉันเราหมู่มากไม่สะดวกสบายกับพยายามเอุรวมหมู่เพื่อนมาถ้าจะปฏิบัติตามหลักที่ของตัวเองที่เคยดําเนินมาแล้วหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยไม่ได้ มันทำไมเป็นอย่างนั้นการนำอุบายวิธีต่างๆมาสอนเพื่อนนั้นไม่ลงแบบที่ตัวเองสอนตัวเองแล้วลรมานแก็ตัวเองสอนแล้วคำพูดคาชารแล้วแต่ท่านผู้ใดจะไปเพื่อปฏิบัติมีความสามารถแค่ไหนก็สอนเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ปล่อย ให้เป็นหนาทีของแต่ละท่านที่ตั้งใจมาศึกษาลมแล้วไปดัดแปลงตัวเองไม่ได้แค่ไหนของคอยสังเกตผลกันไปเท่านั้นแต่ส่วนตัวเองสั่งสอนตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นสอนอย่างนี้ด้วยให้ทำอย่างนี้ด้วยบางทีขีดเส้นตายให้เลยเอาถึงไหนถึงกันเอาสถานที่ใดกลัวสถานที่นั่นแหละเป็นที่ที่ตายของเราถ้าไม่จริงก็ตาย สถานที่ใดแรงแค้นกันดารสถานที่นั้นแหละจะเป็นที่ทรมานเราสำหรับคนหยาบๆอย่างเรานี่นะแล้วทำอย่างนั้นด้วยไม่เพียงว่าว่าเฉยๆมือค้าถึงพร้อมจะไม่เกียงจะปะกพูดมีกำหนดเดินจงกรมก็มีกำหนดนั่งภาวนาก็มีกำหนดบังคับภายในจิตมีอุบายสอนตนภายในจิตแล้วก็บังคับพร้อมเลย ต้องทําอย่างนี้เพื่อนคลาดจากนี้ไปไม่ได้่ะสอนหมู่เพื่อนไม่ไทําอย่างนั้นนี่ที่ว่าหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลําบากถ้าเอาแบบตัวเองทรมานตัวเองแล้วเพราะตัวเองมันหยาบจริงเราก็จะเอาแบบหยาบนี่สอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนที่เรียกก็มีแย่นี่ทําไงมันก็เดือดร้อนดิเนี่ยเหตุที่หมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลําบากนะ เคยสังเกตมาวิธีปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมก็ต้องสังเกตผลมาเป็นลําดับผลปรากฏขึ้นในวิธีใดบ้างจากวิธีใดบ้างโดยมากเขาเกิดขึ้นจากวิธีที่มัดมือชกมัดมือตีเอาเลยเป็นอย่างนั้นทำให้เอาจนกรอกงานมันไม่เกิดความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายหาทางออกไม่ได้จริงๆเล่นน้ำธรรมะเป็นบางเแี่ยบางกระทงมาสอนหมู่พื้นมาปัญญานะเกิด ในเวลาจนกรอกน่ะนะถ้าอยู่เฉยมันก็กลายเป็นหมูขึ้นเขียงไปมันไม่มีปัญญาอะไรอามันจนกรอกนั่นแหละมันต้องจะยอมจำนนจิตก็ไล่มันจนจนกรอกจนมุมไม่ไม่ไมจนมุมมันไม่ยอมนี่แล้วเคยได้ผลมาอย่างนี้ด้วยตายก็ไม่มีกรเห็นไม่ทราบป่าชาติอยู่ที่ไหนเวลาเอาจริงเอาจังถ้าอดจะอิ่มจะเป็นยังไงไม่คํานึงขอจะให้สมใจใน ธรรมะที่เรามุ่งนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วจะขาดแต่วันไหนก็ไปทุนเรื่องชีวิตเกิดกับตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่อย่างไรในระหว่างชีวิตที่มีสืบต่ออยู่นี่กับความตายที่จะมาถึงข้างหน้าซึ่งยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วขอให้เท็มนี้ได้บำเพ็ญอย่างเต็มใจดําเนินดังนั้นแล้วความรู้ที่แปลกประหลาดก็ชอบจะเกิด ในเวลาจนกรอบจนมอย่างนั้นที่กว่วครัวก็เกิดปัญญาก็เกิดความฉลาดขึ้นมาที่โออยากขาดแคลนก็เกิดความฉลาดขึ้นมาได้ที่ทุกทรมานเต็มที่ด้วยทุกเต็มที่เพราะการท ร, รมานตนเองก็เห็นอุบายขึ้นมาเมื่อมีอุบายขึ้นมาอย่างนั้นก็แสดงว่าวิธีที่เราทำประนี้ไม่เป็นโมฆะเป็นผลนําออกมาสอนหมู่เพื่อนบ้างเท่าที่ เพื่อนจะปฏิบัติได้แค่นั้ น, นมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนยากทำอย่างอื้นอนนอน้างไปมันไม่ค่อได้ผล น, น, นี่เบื้องต้นที่จะทําจิตให้ได้หลักเกณฑ์พอเป็นที่ทรงตัวได้เป็นอย่างนี้หมายคำว่าเราจะพยายามหาต้นทุนมาไว้ให้เป็นหลักเนี่ยมันยากอยู่ พอเมื่อมันเป็นหลักแล้วนั้นมันก็เป็นอีกประเภทหนึง่งแต่เรื่องนี้สายที่เคยเป็นมาอย่างไงแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเคยเข้มแข็งเคยเร่งวีบเคยบึกบืนมันก็ต้องเป็นนั้นแต่ไม่ได้เป็นด้วยการถูไถ่ไปอย่างแบบที่เราทำเมื้องต้นหากเป็นปด้วยความดูดดื่มภายในจิตใจตัวเองที่เกี่ยวกับธรรมะนี่ผลก็เกิดอย่างนี้ด้วย มันไม่ได้เกิดด้วยการอนุโลมการค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปความเป็นอยู่อย่างเลือ้อเปลื่อมันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรการอยู่การทั้นก่อเลือ้อเปลือที่อยู่เกียอาศยก่อสะดวกสบายไปอยู่ไหนก็ห้อมล้อมไปหมู่เลยเพื่อนือยากโดยโยมมันไม่ได้ประโยชน์ไปแบบตัดทิศตะไปเลย ตายไม่มีปัญชาคุา้นง่ายอ่าตัปเหยน่คือวตาไม่มีปัญชาไม่กำหนดขออย่างเดียวแต่ว่าให้สมใจในสิ่งที่เราม o n งเป็นที่พอแต่เท่านั้นนี่จิตมันก็จนกรอกอล้ น, นั่นจะไปที่ไหนอาศัยใครพปอยู่บ้านไหนก็อาศัยก็ไปเพงวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อความเพียนได้สะดวกเท่านั้น อิจมันก็ชอบได้อุบายต่างๆมีกําลังขึ้นในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นอไปอยู่ในสถานที่เหลือเฟือ ม, มีคนนับถือมีหน้ามากอาจจะเลกรลามมากตายเป็นหมูขึ้นเคียงอยู่เปล่าในเวลาดําเนินกําลัง เ, เล่นความภาคควาเพียน อ, อยู่จะอยู่อย่างนั้นมาได้นะนี่เป็นคนกําหนักพอไปจสถานที่ใดบ้านใดมีคนก็รบนับถือมากห้อมร้อมเราต้องหาอุบายปิดนี้กันได้ และรู้ตั้งแต่ต้นทางด้วยว่าสถานที่นี้จะอยู่ไม่ไไนานจะเป็นไปเพื่อความไม่สะดวกของเราความเพียรเพราะถูกทบกผลเสมออยู่ให้พอไม่เสียความงามแล้วก็เฝ้าว่อยไปทีไหนเขาไม่สนใจบินสบายจะได้อะไรก็แล้วแต่มีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ส น, สนใจเ อ, อนี่แหละให้เ้าทรมานช่วยเราอย่างนี้จะดี ยังตัวเราเองเราทรมานตัวเองมันไม่ค่อยได้ผลให้คนอื่นช่วยบ้างอ่ะคนยาบต้องอาหาคนอื่นช่วยอ่าสถานที่นั้นดีไม่มีที่อาศัยจะอาศัยอะไรที่ไหนเป็นตายก็อยู่กับตัวอย่างหนึ่งเ่าเสือาไปจริงแล้วก็เขาจะเห็นซาก็เห็นกับมันรู้เพราะการบินสบายก็แน่นอนจยากไปวันไหนเราก็ไปไม่อยากไปกี่วันแล้วก็อยู่เวลาตายไปเขาก็จะว่าถ้าผมมาบินสบายเขาจะว่านั่นก็อาจเป็นได้ กี่วันที่เห็นข้าวไม่รู้แลมันก็ชอบไปอุบายอย่างนั้นจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยอัดด้วยทสํสมาธิมองดูอะไรลื่นเลงไปในทางอัดทางทำทั้งนั้นมองดูลมหายใจก็เห็นชัดรู้ชัดกำหนดดูเรื่องความคิดความปรุงที่มันเคยผูกมัดลัดลึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยมารู้สึกตัวมันก็เห็นชัด คำว่าทุกมันก็เห็นภายในตัวคำว่าทุกข์ขังคําว่าอนิจังมันแปรยังไงบ้างอะไรมันแปรบ้างมันก็เห็นความแปรภายในตัวทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือส่วนร่างกายภายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวภายในก็หมายถึงที่ในจริงๆก็หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับจิตคืออาการทั้งสี่พอเวทนาพอสัญญาทั้งขันวิญ ญ, ญาณมันไหวตัวไปไงมันก็เห็นชัดนี่เพรอสติกับปัญญามันจดจ้องอยู่ที่นั่น เมื่อตั้งหน้าต่างตาดูอะไรทําไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่ทั้งโลกนี่นอกจากเรามันปลอมเท่นั้นเองปลอมทั้งความภาคความเพียปรปลอมความตั้งอกตั้งใจปลอมทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงเราจะเป็กับความขี้เกียจมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็เห็นแต่ของจริงคือขี้เกียจมันเป็นของดีก็เป็นของจริงอะไรที่เนี่ยถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นกี่มันอาตานเรื่งหนึ่งเห็นเหตุเห็นผลเห็นอักเห็นทรรม เนโทษก็เห็นจริงๆตามหลักความจริงของพระยาที่สอนไว้ไม่มีโกหกเราโกหกเรานี่มันสักกี่ขับกี่กันไม่รู้เพิ่งมาเห็นความจริงแค่นี้แค่นี้มันก็ยิ่งเชื่อเข้าไปคนเราถ้าเห็นทุกข์แล้วมันก็มีทางคิดทำนี้แต่ความสุขบำรุงบำรเอยู่ตลอดเวลาทุกข์มาถูกต้องเล็กน้อยก็เดือดร้อนไปี่ไม่ได้เอาทุกข์นั้นมาพิจารณา เราตั้งใจพิจารณาล้วทุกข์มันก็เป็นของดีอันหนึ่งเป็นหินรับสติปัญญาของเราให้คงกล้าหาทางปลีกตัวออกให้พ้นจากมันจนได้แล้วเนี่ยถ้าคิดมันต้องหาทางออกได้นี่อุบายวิธีที่ได้มันได้โดยวิธีนี้อย่างนั้นทั้งนั้นแหละอา้าวพอเป็นต้นพุมิมีความสงบเยือกเย็นใจแล้วจะนั่งใช้ได้นานาเท่าไหร่สิ สมาธิกำหนดพอจะกำหนดให้ลงเท่านั้นเราไม่ต้องกำหนดว่า ก, กี่นาทีเพียงกำหนดพับมันก็ลงได้เลยเพราะความคล่องแคล่วที่ความชานาญของจิตที่รับการฝึกมาจนพอตัวในทางสมาธิกำหนดพับลงไปเลยเอาจะให้อยู่ได น, นานสักษณ่าไก็อยู่ไม่ต้องมายุ่งกับอะไรทั้งนั้นลู่เสียงตืน่นรบกวนจังหวัดอยู่ตามเรื่องของเขาความสงบสุขภายในตัวเองมีความรู้สึกอยู่จั่พอตัวเท่านั้น โดยไม่ต้องเกี่ยวอะไรมาเป็นอารมณ์เครื่องเสริจิตเราก็อยู่อย่างนั้นชมาทิหันสมาธิชมาทันธ์สมาธ้มาชมชนานิพัน์มาชมาทิพันธ์สมาธชมานธ์สมาธิชมาทิพนดสมาธิชมื่อไันธ์สม า, มาิตอยท่เัมา่ิชมาทิพันธ่สมาธิชมาทพันสมาธิพันป์สมาธิิออัญญาธิชาิพัดธสาธิชมาทปพันธรรมาธิชมาทินธ์รมาธิชมทนธ์สทิพสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้เห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ท่านเรียกว่าเรียนธรรมะหรือฟังธรรมะฟังเทศิตุตลอดเวลาคือฟังในหลักธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังได้ยากเมื่อถึงขั้นจะฟังได้อย่างง่ายได้แล้วอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันระหว่างสิ่งต่างๆกับจิตต้องสัมผัสกันเมื่อจิตกับสิ่งต่างๆมาสัมผัสปรากฏความรู้สึกขึ้นมาสติกับปัญญาก็ต้องวิ่งตาม อันนี้มาจากอะไรเรื่องอะไรเป็นพ่อะเหตุอะไวิง่งตามไปนล้พอเข้าใจแล้วปล่อยครับปล่อยพับปล่อยครับปอยครับเฮ้ยเยุนตัวเองเนี่มีท่านปัญญาธรรมจักจิตถึงขั้นนึ่งแล้วมันก็ยิ่งจะมีความขายันหมั่นเพียรมากกลางวันกลางคืนไม่ได้กำหนดเล็นร่เวลา ม, ม, มีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์ที่จะต้องพิจารณากันอยู่เหล่านั้นเป็นประจํา เดือนปีนาทีโมงไม่คำหนึงมัทรามวันไหนเป็นวันพระไหนเป็นวันพระมันไม่ค่อยจะสนใจจะสนใจแต่หน้าที่การงานที่เป็นประจำและจําเป็นอยู่สำหรับตัวเท่านั้นมันจะทนไปได้ยังไงจิตเมื่อครับการฝุกฝนอารมณ์ซักฟอกอยู่ตลอดเวลามันจะไม่สะอานได้อย่างไรฮ้ <c oughs> มันก็เป็สะอาดสะอาดบางเล็กมางน้อย อาจขึ้นเท่าไหรก็ยิ่งเห็นเหตุเห็นผลเหมือนกระจกเงาที่เราขัดว่าดีๆมองเห็นเงาของเราก็ชดัดถ้าปล่อยให้ฝุ่นกรบไปหมดมันก็ไม่เห็นมองอะไรก็ไม่เห็นปัญญานี่จิตใจของเราปัญญานี่ยิ่งเก่กว่านั้นถ้าขัดให้ดีด้วยความเพียรมองเห็นเหตุเห็นผลทุกดาที่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ที่ตรงไหนนี่ จะไม่มีที่ค้านเลยยอมคำนวนกราบพระพุทธเจ้าอย่างาราบเที่ยวจะกราบด้วยหลักความจริงที่ตนเห็นขึ้นกับเรื่องพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้ากับความจริงเป็นอันเดียวกันความบริสุทของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของเราจากความเพียงอันเข้มแข็งนีน้มันเป็นความบริสุทเช่นเดียวกันอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านิพพานไปไหน ความเบื้อสุดก็คือนี้ความเบืองสูงผู้ย่อคือนั่นอันเดียวกันแล้วธรรมชาตินี้ศูนญไปไหนพอจะเห็นว่าผู้ย่อนิพพานพอจะเข้าใจว่าผู้ย่อนิพพานศูญไปจากโลกธาตุขันธ์ก็ไม่ได้ศูนญชาลาลงไปก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟทํางๆธรรมชาติที่เบื้องสุดนั่นยิ่งเป็นของอัศจรรย์และจะศูนญไปไหนของอัศจรรย์ขนาดนั้นจะศูนย์ไปมีอย่างเลยแต่ของโลกๆ ก, กันยังไม่ศูญเหตนได้ของอัศจรรย์จะศูนย์ไปจากโลกนั่นก็ยังทราบชาติไป การจุูกผลเอาลงเป็นอย่างนั้นทั้ยากบ้างนะ ย, ยากผาช้างไม่เป็นไรยากเพื่อเราลำบากเพื่อเราผลประโยชน์สําหรับเราไม่มีอะไรเสียหายอปฏิบัติ ม, บบมาเป็นอย่างนั้นเวลาเราพิจารณาย้อนหลังเกิดความปีติเรื่องเลิง ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรคิดย้อนไปหมดกลับมาเป็นความภาคภูมนใจวิธีปฏิบัติเวลามันแค่พอจริงๆก็เหลือแต่ความรู้กับเจตั้งใิกรรมที่สัมผัสกันกระเพื่อมยับยับยับย มันกระเพืมขึ้นมาจะไปสัมผัสกับสินใดเนี่ยสติมันรู้ทันซะแล้วมันยังไม่ทันจะไปสัมผัสกับอะไรเลพอสติรู้ทันพักมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเป็นเพียงความปรุงเหมือนกับแสงห้อยก็ไม่ได้ยับออกมาก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมหาที่ต่อไม่ได้หนึ่งที่ต่อไม่ได้เพราะปัญญาตัดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้ขาดหมดแล้ว สองสติทันกับความกระเพื่อมของจิตอีกนี่หมายถึงปฏิปทากำลังนำเนินในขั้นธรรมะที่ละเอียดเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นภัยลูกเสียงกลิ่นเมื่อเครื่องสัมผัสเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในโลกไม่สูญหายไปไหนรู้ชัดสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรก็คือความคิดต้องตัวเองไปเที่ยวก่อหิ ทำลายป้ายสีจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วผลจะได้ก็คือความทุกข์มาเผาตัวเองหาเดืเผากับสิ่งที่เราตำหนิเขาว่าไม่ดีม่แต่มันกลับมาเผาตัวเองแล้วมันกลับมาเห็นโทษของตัวเองผู้ไปลุมไปคิดไปหารื่อมจากสิ่งนั้นสิ น, น, สนี้แล้วเอาความทุกข์มาสะตัวเองจิตก็ย้ยอนเข้ามาความคิดออกทุกระยะมันเห็นว่าเป็นโทษทั้งนั้นเป็นโทษเกิดจากความคิดของตัวเอง ไม่ใช่โทษจากสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคือความคิดของตัวเองที่ไม่รอบตัวเองแก้ความคิดของตัวเองไม่ได้แก้คนมายาของจิตตัวเองไม่ได้จิตนี้มีเล่หเหลี่ยมมากม า, กม า, กายไกลกองพอปัญญาทันเท่า น, นั้นแหละจะไม่สามารถทําได้อย่างนั้นพอกระเพื่อมออกมาก็ก็รู้ก็รู้ดับไปดับไปอืนอกจากนั้นยังสามารถยังเข้าไปอีก ถึงฐานที่มันกระเพิ่มมันกระเพิ่มออกจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันกระเพื่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้มาแล้วทุกทุกอย่างก็ว่าไม่มีโทษแล้วอะไรมีโทษอยู่แล้นถ้าว่าความคิดเป็นโทษเหตุที่เกิดขึ้นจากความคิดคืออะไรเหตุที่จะใหจกิดที่คิดออกมามีอะไรถักดันออกมาอะไรเป็นสาเหตุมันก็ย้อนเข้าไปถึงกระทั่งถึงรู้ตัวถักดันอย่างเต็มที่ มันก็ถอนกันได้นะฮไถอนไปแล้วอะไรจะปรุงไม่ปรุงมันก็หมดปัญหามันเป็นขันแข็งเพราะสิ่งที่มันเป็นพิษได้ถูกถอนออกแล้วนั่นแหละตัวภัยของความข้อไหนางที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดมาจากความอ่อนแอ เกิดมาจากการตั้งใจปฏิพฤติปฏิบัติเกิดมาจากความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติเท่านั้นหากว่าธรรมะจะเกิดขึ้นมาจากความอ่นอนอเกิดมาจากความอารมณ์เกิดมาจากความเอาตามใจของหมู่ของเพื่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็จะปลอยให้เป็นหน้าที่ของหมู่เพื่อนเอาตามชอบใจตัวเองไม่ต้องมีศาสตามาสอนกันเท่าที่มีศาสตามาสอนก็คือศาสตราคือแบบของโลกนนเองความรู้ความเห็นของจักไม่มีแบบไม่มีขอบเขต ใครอยากคิดยังไงอยากทำก็ทไปงี้นตามแบบของตัวเองแล้วผลก็จะรับตามแบบของตัวเองอีกแล้นเราจะไปตาหนิใครว่าไม่ดีนอกจากตาหนิตัวของเราธรราะของมันมีผลประโยชน์ที่จะรจะับมากมากมีก็อยากจะรับมากๆอยูฮอ อยากพบอยากเห็นเลอะเกินคนดีมากๆใเมืองแผ่นดินเรานี่แต่ทลับมาพอเป็นความหนัก อ, อุกหนักใจล้วหากไมาอยากรับอยู่เฉยๆมันก็สบายดีกว่าที่เรแบกหามสิ่งมันเป็นประโยชน์ไว้บนบา่าให้หนักกระเป๋าเขาแบบพื้นเขาก็สําหรับใส่ไฟยังเป็นประโยชน์อืแบกฐานเ้าก็สําหรับมาทําไฟก็เป็นประโยชน์อืม แบกคนไม่เป็นประโยชน์จะเอาไปใส่ไฟก็ไม่ไ่าจะไปหุงต้มก็ไม่น่าจะไปทําประโยชนอะไรก็ไม่ไ่าแต่หรักอยู่บนบา่าเบาเปะมันก็ม่อยากจะแบกวังฮถ้ามีมากๆเข้ามาแล้วอยากเข้าใจว่ามาเสริมนะมีมากมาเท่าไหร่มาก็เหมือนอุปมาเหมือนว่าโดดขึ้นบนบา้านค่อยกดกันลงถ่วงกันลงกดกันลง มาด้านนี้ก็กระโดดขึ้นบนบ่ามาด้านนั้นกระโดดขึ้นบนบ่าคนนั้นกระโดดขึ้นบ่าคนนี้กระโดดขึ้นบนบ่าจมสี่แต่เรือใหญ่แตใหญ่ของมันทุกมากมันก็จมได้ไหนเพียงเราคนเดียวอองค์นั่นก็จะโดดขึ้นบนบ่าคนนี้ก็จะโดดขึ้นบ่าปัดคนนี้ลงคนนั้นโดดขึ้นมาปัดคนนั้นลงบนนี้โดดขึ้นมามันก็จมว่าไง ยังเห็นอีกแล้วนี่นะจนไม้นี่จะขึ้นบนมาแล้วนี่วางวาง่า ย, ยัางง่ายง่ายนี่แล้วเราที่ต้องสอนทุกเแี่ยทุกมุดมดีไม่ดีผู้ไม่เคยก็เขาไม่เอาใจใส่ก็มีบางที่ก็เกิดความหนักอกหนักใจก็เป็นความลำบากแกตัวเองแล้วหมู่เพื่อนอีก <c oughs> นี่ยุ่มไปอีก <c oughs> เนี่ยเรากินเราจังมี่พอใจอเยอะเกินการสอน อยากเห็นคนดีดคนดีอยากเห็นพระดีจะได้ทําประโยชน์แก่โลกแก่สงสารนอกจากทําประโยชน์แก่ตัวเองให้สมบูรณ์แล้วแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่อยากจะสอนอยู่เฉยๆแล้วมันก็สบายลมหายใจหายใจไปปล อ, อ, อ, อดวันหนึ่งสบายสบาไปในเอียบดนั้นก็พอแล้วจะไปหาอะไรเศรษฐีเขาก็มีแล้วในโลกนี้อื่คนทุกคนจนกับมีเต็มโลกแบบนี้ไม่มีอยู่แบบนี้สบายดี นั่นก็สมายนี่แล้วเป็นเหตุที่ให้คิดมากพอร่ำมามากโดยที่เรามาตั้งอกตั้งใจจะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนแต่ก็อยู่เป็นนานหมู่เกลื่อนก็มีมากขึ้นมากขึ้นร้นานนี่นาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งร้ายนั่นเขามาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งหลายคนหลานลูกก็ อ, อะไระก็ยิ่งมีร้านนิสยัยคนคนเดียวจะปาารสะสบคามสำาดนอกรู้นะนิสัยของคนนะ บางยาคือการสัสอนที่ถูกต้องในทุกทุกรายยังไงมันก็ต้องเป็นความลําบากอยู่เป็นธรรมดาของผู้การของผู้สั่งสอนและผู้มาอยู่ด้วยนะมันก็เป็นเรื่องทุกอันนึงเรียนตามความเห็นเป็นอย่างนั้นพ่อก็ในเกี่ยวข้องกับหมู่อนมานานแล้วที่ออกมาเกี่ยวกับสังคมก็ได้สิบเอดปีนี่เองสิสสองปี ก่อนอยที่ในป่านะเขาแม่จะมีหมู่เพื่อนมีเล็กๆน้อยๆต่อมาก็ึ้นเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยิ่งจะได้เห็นไปมีเป็มั น, นมากาาเขาไร่เรื่องอัปยศสายใจคอความรู้ความส า, ามารถควมูง่เขาความบกัญญาความดีความชั่วมันก็มาด้วยกันมันก็ต้องได้เห็นเป็นธรรมดาเห็นเท่าไรมันก็ยิ่งจะเป็นบทก า, ารศึกษา มันปเรื่อยๆกิเป็นามันควรจะพอนหนักพอนเบากันแค่ไหนมันก็ควรจะหาทางพิจารณาทำไม่เป็นประโยชน์จะพื้นทำไปก็ไม่ทาบจะทำไปเพื่ออะไรมันก็ต้องได้คิดืงสรุปความลงแล้วอารอันลงลงไปมีผลอะไรบ้างมันก็ไม่ควรจะเห็นนอกจากกพู้ที่เราเคยปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายหนักใจไปด้วยเท่านั้นนี่อันหนึ่ง มาจากไน้นก็ไม่ก็เป็นคนมีกิเลสแต่เป็นชาติไหนก็เป็นคนกิเลสมีกิเลสลงมามวังอาจหวังถามของบริจาคแล้วมันก็ต้องมีคนมีคนชั่วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ต้องมีผู้ดีทําให้หนักใจเบาใจเป็นกัารระพก็เพือนกันอยู่ด้วยดีเมื่อต้นเหตุมันมีอย่างนี้มันก็จะต้อ ง, อ ง, อ ง, องพิจารณาแบบทุมทีทุมห้าไม่นานไม่ ดีไม่งามขึ้นมากแต่ตำแหนี้แบบผูนั้นมาดียังั้นผู้นีม้มาดีนัานก็ขึ้นอยู่กับความสัเท่าของเราเองทงานทางที่ถูกกับตัวจะโง่ขนาดไหนตามเรามีความีความมง่ขนาดไหนพาไม่แหลมคมตาผ่าๆฟังฟังก็ตามขอให้ดูเต็มสติ ก, กาลังความสามารถเราลาไปหากก็เกิดความเสียหายขึ้นมามันจะไม่หาทางออก เพราะตามปกติของคนเรามันชอบหาทางออกเอาเรื่องป้ายองอื่นแล้วหาทางออกอย่างสบายคือเป็นการเข้าตัวเสมอเนี่ยวก็จะหาว่าเป็นกับคนนั้นเป็นเพราะคนนี้คนนั้นมาดีคนนี้มีตัวไม่ดีไม่หรอกเมื่อเราดูให้เต็มหูเต็มตาเต็มจิตเต็มใจแล้วแม้จะเกิดความเสียหาขึ้นมาก็เป็นเพราะเรานี่แหละเพราะเรามันตาฝ่าตาฟัางความรู้ความสลาดไม่เพียงพอนันจริงเป็น เหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะไม่ได้หาทางออกไม่ได้เอาเรื่องอะไรป้ายใครมันจนกรอบเป็นมุมเพราะตัวเองเป็นผู้เลือกเป็นเองแล้วความผิดมาเป็นของตัวเอง เ, เองแล้วก็ไม่มีทางออกนี่ยอมรับติดคุกก็ยอมติดเอออย่างนั้นดีอย่างนั้นยื น, น, ยนตามความจริงหนุกหิ้งใจยุ่หมู่เพื่อนอ ม, มาอบรมศึกษาก่อน มาเอาจริงเอวจังไม่ว่านะยินดีถึงไหนถึงกันมากพ็ให้หนักอกหนักใจหมูอเกื่นที่อยู่ด้วยกันนี่หนักอกหนักใจผู้เห็นโอ้วาดถังซ้อนมันมันหนักมากแล้วมันเป็นให้ละอาต่อผู้ที่จะมาในวาระต่อไปอาจจะเห็นแก่คน ศาสนาก็จมถ้าเห็นแก่ธรรมศาสนาก็ตั้งอยู่ได้นมีนหลักใหญ่ไปอยู่ที่นี่อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เห็นแก่ธรรมเห็นจะคนมา ก, เ ห, มกนนะเห็นโมกขครลราณะเห็นจกหน้าแก่ตากันแล้วไม่คํานึงถึงธรรมแล้วก็เสื่อมแต่ความเห็นใจกันนั้นโลกกับธรรมนี่แยกกันไม่ออกมีอยู่เป็นธรรมดา แตอย่าถึงกับว่าเลยเถิดแห่งธรรมะไปก็แล้วกันแบกบเป็นโลกแ บ, บกเป็นธรร ม, ม้พอสม่ำเสมอง้นแบบร้ายที่ร้ายมันแบบเลยมันมาอยู่ไปทุกแห่งทุกหนอย่างนั้นนี่หาดหําหน่ายดํานางเขาหาฐานยุดใครละอะไรก็ไม่มีล้มป่า ล, งลง้มลกเขาตามมาสง่งยุ่งไปหมด มาพลังมาให้อยู่เอาอาจารย์นี่โกรธเหรออ่าันที่จะทำไงก็ใช่ทําตามทุกอย่างพอเร า, ามาศึก ษ, ษาก็ควรจะทําตามแบบของวัดของวาของพระของเน่งของครูของอาจารย์ตามฐานะของเราที่เป็นคราว่าสมาใส่ท่านเดี๋ยวเราก็เอาตามแบบของเราอย่างเต็มเป้เาความเสียหายไม่คํานึงขอให้ทําอย่างใจก็เท่กันหนะั อนี่มันก็ไม่หนักมันจะทำไงานมันก็หนักองมันเสียทั้งประเพชชาดบ้านเมืองหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาผ่านในวัดนี้ไม่ทราบว่าภูวอาจารย์นี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรับผิดเจ้าหรือมีความเกี่ยวข้องกันนี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเฮียบางทีไม่ยอมมาให้อยู่ก็เพอเห็นนี่เองกายิงเป็นเหตุใระวังยาก าการพูดก็เห็นว่าสมควรโอเคไหม